เขาบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอาจาระทางกายและทางวาจาเนี่ยนะในอัตถกาธาน่าสามร้อยเก้าสิบกเนี่ยนะที่บอกว่าความเศร้าหมองคือสังกิริธะเศร้าหมองเนี่ยนะหมายถึงว่าเศร้าหมองด้วยอะไรด้วยกายด้วยวาจาเนี่ยนะเหมือนอย่างว่าน้ำเนี่ยนะน้ำเนี่ยเมื่อปั่นป่วนฟองน้ำผุดขึ้นบุคคลย่อมรู้ว่าภายในอะ่ะมีปลา บุคคลเห็นได้ยินกายมารยาททางกายทางวาจามารยาททางวาจาของผู้ฆ่าสัตว์หรือของผู้กล่าวเท็จเป็นต้นก็ย่อมรู้ว่าเนี่ยจิตที่เป็นอกุศลเป็นเหตุให้มีการฆ่ามีการพูดเท็จเพราะนั้นการฆ่าการพูดเท็จความเศร้ามองด้วยกายด้วยวาจาไม่มีแม้แต่อย่างเดียวในพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีแก่พระตถาคตเจ้าตรวจดูแล้วไม่มี เพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ปกปิดเอาไว้เพราะฉะนั้นจึงไม่พบความชั่วทางกายทางวาจาของพระองค์เลยเนี่ยที่ใช้ตาตรวจสอบให้พบความชั่วทางกายไม่มีใช้หูฟังสำรวจตรวจสอบว่าเผอจะมีความชั่วทางวาจาของพระองค์ก็ไม่มีจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงประเรณาหมู่ภิกษุในสิ่งเหล่านี้สิ่งเรื่องกายวาจาเนี่ยนะว่าภิกษุทั้งหลายเอาเถิดบัดนี้เราประเวณาต่อพวกเธอว่า พวกเธอย่อมไม่ติเตียนมารยาททางกายทางวาจาของเราบ้างหรืออันนั้นหมายคือว่าแบบมีข้ออะไรที่จะตําหนิเสนอแนะอะไรพระพุทธเจ้าวางไหมอย่างนั้นเหรนี่ยพระพุทธเจ้าเคาบอกว่ า, วา ค, คือคือมีอะไรบ้างที่เธอไม่สบายใจเห็นแล้วไม่ชอบใจเห็นแล้วรู้สึกว่าขัดตาขัดใจเป็นต้นเนี่ยมีบ้างไหม เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้จบแล้วเนี่ยนะท่านพระสารีบุตรก็ลุกขึ้นจากอาสนะทําผ้าจีวรเฉียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางพระผู้มีพระภาคเจ้าที่พระองค์ประทับอยู่ก็กราบทูลคำนี้กับพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะไม่ติเตียนกรรมใดๆที่เป็นไปในทางกายและทางวาจาของพระพุทธเจ้าเลย คือจะยังไงก็ไม่ติวังนั้นเถอะคือยังไงก็ไม่ติเตียนเลยนะีะเพราะ อ, อะไรเพราะพระองค์ไม่มีข้อที่ให้ติเตียนแล้วไม่รู้จะติเตียนตรงไหนในกายแลย ว, วาจาของพระองค์พระพุทธเจ้าค้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยังมักที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นอย่างอริยมักข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมักผลนิพพานเนี่ยพระองค์เนี่ยทําสิ่งเหล่านี้ที่ไม่มีให้มีขึ้นพระองค์เนี่ยรู้มักที่พวกใครๆไม่รู้ พระองค์บอกมัคที่ใครๆบอกไม่ได้พระองค์เป็นผู้รู้มัคพระองค์เป็นผู้รู้แจ้งในมัคเป็นผู้ฉลาดในมัคมัค ก, ก็คือเน้นโพธิปัฏฐานธรรมที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็แลบัตินี้พวกสาวกเป็นผู้ดําเนินไปตามมัคเนี่ยนะคืออริยมัคเนี่ยมาภายหลังก็ได้ตรัสรู้ตามพร้อมพระองค์เพราะฉะนั้นภาษาริบบทบอกว่าไม่มีอะไรที่ พวกพระพิสุทธิ์จะติเตียนพระพุทธเจ้าด้วยกายหรือด้วยวาจาอย่างใดยอย่างหนึ่งไม่มีเลยเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่บุคคลที่เป็นผู้พิเศษผู้ที่มีบุญสั่งสมบูรณ์มาสา ม, มารถที่จะประพฤติปฏิบัติเจริญอริยมรดโดยลําพังพระองเอ ง, เองจนได้ตรัสรู้แล้วก็ฉลาดในมรดทั้งหลายด้วย ฉลาดรู้ว่านี้ทางนี้ทางนารกทางเปรตอสุรกายเดรฉชชานทางมนุษย์ทางเทวดานี้เป็นทางไปสู่พรหมโลกนี้เป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานนี้เป็นทางแห่งพระนิพพานแล้วพระองค์ก็เอามรรคทั้งหลายเหล่านั้นมาสอนมาบอกมาสอนสอนอย่างผู้ฉลาดเนี่ยนะผู้ที่ฉลาดรอบรู้ในองค์มรรคทั้งหลายมันพระพิสูจนทั้งหลายเป็นผู้ที่มาดาเนินตามมรรคที่พระพุทธเจ้า ตรัสรู้พระพิสูทั้งหลายเหล่านั้นบางท่านจึงได้โสดาปติมักบางท่านได้สกทาคามีมักบางท่านได้อนาคามีมักหลายท่านได้อรหั ต, ตมักเพราะท่านเหล่านั้นดําเนินไปในตามมักที่พระพุทธเจ้าบอกสอนเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะพึงติเตียนพระองค์ด้วยกายด้วยวาจาจึงไม่มีพระเจ้าค้าอันนี้ภาษาดีบรกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าอีกเรื่องหนึ่งแม้อุตรมามนบเดี๋ยวเรียนสูตรข้างหน้าต่อไปจะมี อุตรามานพเนี่ยคิดว่าเราจักเห็นโทษไรๆที่ไม่น่ายินดีในการยัตวาลและวจีทวานของพระพุทธเจ้าใครว่าติดตามเก็บข้อมูลว่าพระ อ, องค์มีเลวตรงไหนบ้างติดตามอยู่เจ็ดเดือนก็ไม่เห็นแม้เท่ากับเลนใครว่าเท่นกับแม้กระทั่งถังเท่าปลายเล็บไม่มีเหมงอนกันเพราะฉะนั้นวจิียาวาัวาลวจีทวานของพระ อ, องค์ที่ไม่ดีเนี่ยไม่มีเลย เพราะฉะนั้นก็บอกว่ากวายวาอุตรมามนพผู้เป็นมนุษย์ติดตามดูความชั่วด้วยกายด้วยวาจาเลยทเท ว, วปุตมานเนี่ยพยาพยาปรณิมิตตวสวตัตตมานเนี่ยติดตามพระผู้มีพระภาคเจ้าตั้งแต่เป็นพระโพธิสัตว์วันออกมาพิเิษกรมติดตามไม่ให้คลาด ส, สายตาเลยนะคิดอะไรดูดูทั้งร่างกายดูทั้งความคิดเนี่ยนะเล็งอยู่ตลอดเวลานี่นะเพราะฉะนั้นวสวัตดีมานเนี่ยติดตามพระผู้แเจ้าเนี่ย ตั้งแต่ออกบวชเพื่อสแสวงหาโพธิญาณอยู่หปีก็ไม่เห็นโทษอะไรอะไรโดยที่สุดแม้แต่ความคิดที่เป็นอกุศลไม่มีในความคิดของพระพุทธเจ้าเลยมานคิดไว้ในใจไว้ว่าถ้าอากุศลจิตอกุศลเนี่ยนะโดยเฉพาะอากุศลที่เป็นเหตุให้ล่วงกรรมบทมีเกิดขึ้นในพระโพธิสัตว์จะตีหัวให้แตกแล้วก็ไปเนี่ยนะหาช่องหาโอกาสจะเรียกว่าถ้าพบความชั่ว พูดชั่วทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วน้องไปล่วงอกุศลกรรมรบทข้อใดข้อหนึ่งฟาดศีรษะตีหัวแตกเลยนะตีหัวแตกหัวแตกแบบเย็บสมเข็มห้าเข็มไม่ใช่นะตีตายเลยเห้นอนกันหเห็นไม่ดีแล้วตีตายเลยเมัม น, นไม่เก็บเอาไว้โรคเหมือนกันก็บอกว่ามาเนี่ยติดตามอยู่หปี นะตอนที่เป็นพระพุทธิสัตว์6ปีบวชแล้วเป็นพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งปีติดตามเจปีก็ไม่พบเลยเมื่อไม่พบก็เลยกล่าวว่าข้าแต่พระโคดมผู้เป็นมหาวีระมีปัญญามากรุ่งเรืองด้วยพระฤทธิ์ด้วยยศเนี่ยนะพระองค์ก้าวล่วงเวรภัยทั้งปวงข้าปรองขอถวายบังคมบ า, บาติดตามไปในที่สุดตรวจสอบดูแล้วเลยกราบเลยกราบเท้าเลยเนี่ยนะยอมรับเออดีจริงๆแล้วก็จากไปทีนี้มาเนี่ยนะมีอยู่ตอนที่แรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ย แรกตรัสรู้ใหม่ๆเนี่ยหปีหลังจากที่ติดตามไปมาเนี่ยเขาก็มาคิดดูว่าเออบัลลังก์เนี่ยมันคู่ควรแก่ใครเนี่ยนะคือบัลลังก์แท่นวันชระอาจเนี่ยตอนท่านจริงก็คู่ควรแก่ใครมาก็เลยมาขีดเส้นอยู่สิบหเส้นขีดควักที่หนึ่งหนึ่งอา่าท่านพระสมณโคโดมเนี่ยนะสิทธะเนี่ยสร้างบารมีอา่าสร้างทานบารมีมาสิทธะจึงควรแก่บัลลังก์เราไม่ได้ทําทานบารมีมาเลย ขี่ที่หนึง่งคะแนนสอบตกไปแล้วพายแพ้ครเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองก็ขี่อีกควักหนึ่งสิทธะสร้างบารมีศีลบารมีมาแต่เราไม่ได้ทําเลยเสียไปอีกสองคะแนนที่สองสามอีกโอ้สิทธะเนี่ยท่านสร้างเนคคัมมะบารมีมาเราไม่ได้สร้างมาเลยแล้วก็ตรวจไปอีกสิทธะสร้างปัญญาบารมีมาเราไม่ได้สร้างเลย นะสิทธะมีวิรยิยะบารมีมีสัจจะคันติอธิษฐานเมตตาและอุเบกขามีบารมีทั้งสิบเราไม่มีเลยอันนี้แพ้สิบอย่างเพราะอดี ต, ตเหตุเนี่ยทธิะได้ทำเอาไว้ส่วนเราไม่ได้ทำแล้วก็ต่อไปสิทธะสร้างบุญกุศลเพื่อให้ได้มหาการณุณาสมาบัติยานเราไม่มี สิทธะสร้างบารมีมาเพื่อให้ได้ย่อมกะปาติหาริยญาณเราไม่มีสิทธะสร้างบารมีเพื่อให้ได้อาศยานุศยาญาณเราไม่ได้ทำสิทธะเนี่ยนะสร้างบารมีมาเพื่อได้อินทรียปโปรปริยตญาณเราไม่ได้ทำสิทธะสร้างบารมีมาเพื่อสัพพายุตญาณอนนาวารณญาณแต่เราไม่ได้ทำเลยพันขีด16เส้นตัวเองอาภัพ16อย่าง น, นนะคิดว่ายิ่งดูไปแล้วมันห่างกันเหลือเกิน ก็เลยนั่งเศร้าซึมลูกสาวก็บอกพ่อเป็นทุกข์อะไรเรื่องอะไรหรือบอกนั่นน่ะสิทธะพ้นวิสัยพ่อไปแล้วบอกว่าเดี๋ยวหนูไปจัดการเองแล้กั น, นกันก็เลยไปที่มาของนางตันหานางราคานางอรารตีนี่แหละพังก็ไม่มีผู้ใดเนี่ยนะที่จะติดตามพบความเศร้ามองความชั่วด้วยกายด้วยวาจาของพระองค์เพราะพระองค์ไม่มีความชั่วทางกายและทางวาจาเลย ย้อนกลับมาอันนี้สำรวจตรวจที่หนึ่งแล้วนะความเศร้ามองที่รู้แจ้งด้วยกายด้วยวาจามีไหมทีนี้อย่างที่สามภิกษุเมื่อสอบสวนให้ยิ่งขึ้นไปว่าสิ่งเหล่าใดที่เป็นวีมิตรคำว่าวีติมิตสาความคละเคล้ากันเนี่ยนะด้วยตาด้วยหูสําหรับพระพุทธเจ้ามีอยู่หรือไม่อันนี้หมายคือว่าสิ่งที่มืดตัวนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่ามาจากบาลีว่าวีติมิตสามาคําว่า เจือกันแปลว่าบางครั้งท่านก็ดีดีบางครั้งท่านก็เร็วเร็วเนี่ยนะก็แปลว่าบางครั้งก็ดําบางครั้งก็ขาวบางเดี๋ยวก็พูดดีเดี๋ยวก็พูดใหม่ดีเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จริงเดี๋ยวก็เท็จอ่านะเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็เมตตาเป็นต้นคืออย่างนี้เขาเรียกว่าเจือกันคละเคล้ากันมีอยู่ไหมแปลว่าเดี๋ยวครุมดีเดี๋ยวครุมร้ายเดี๋ยวก็เป็นดีดีเดี๋ยวก็ไม่ดีอีกแล้วเป็นต้นน่ยเหมือนเดี๋ยวบางคนไข้ขึ้นเดี๋ยวก็ไข้ลดเดี๋ยวก็ไข้ลดเดี๋ยวก็ไข้ขึ้้นนนนมคควาาดัลงะ พระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะกายวาจาของพระองค์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีหรือไม่มีอยู่หรือภิกษุเมื่อสอบสวนพระตถ า, าคตเจ้านั้นอยู่ก็รู้อย่างนี้ว่าสิ่งใดที่ยังเป็นความเจือคละเคล้ากันบางครั้งดำบางครั้งขาวที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูในสิ่งเหล่านั้นของพระตถ า, าคตเจ้าไม่มีนะนะเมื่อพิสูจน์สอบสวนพระพุทธเจ้าก็เลยรู้อย่างนี้ว่าสิ่งใดที่เป็นความ เจอกันบางครั้งดำบางครั้งขาวที่จะพึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูไม่มีไงพระพุทธเจ้าเลยนะี่นะทีนี้ตรวจสอบในยะที่สเมื่อพิสูสอบสวนพระธถาคตเจ้านั้นให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็ตรวจอีกว่าสิ่งใดที่เป็นความบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นของพระธรรมคดมีอยู่หรือไม่แจมแจ้งตัวนั้นอันไม่ใช่แจงแจ้งนะ แจมแจ้งกแปลว่าความขาวสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยมีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าหรือไม่อัน น, น, นความขาวความสะอาดความบริสุทธิ์ความดีความงามเนี่ยนะความปราศจากกิเลสเนี่ยมีอยู่ในพระพุทธเจ้าจริงหรือตรงนี้ก็แปลว่าแจมแจ้งแปลว่าธรรมะที่ขาวสะอาดมีครบถ้วนอยู่ในพระพุทธเจ้าอยู่หรือ ภิกษุเมื่อสอบสวนในพระตถาคตนั้นก็รู้อย่างนี้ว่าสิ่งใดที่เป็นความขาวสะอาดงดงามอย่างเจีมแจ้งที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ในพระพุทธเจ้าแปลว่าทางกายก็เรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ขาวสะอาดทางวาจาก็เรียบร้อยสมบูรณ์บริบูรณ์ขาวสะอาด พิสูจเมื่อสอบสวนในพระธถาคดเจ้าก็รู้อย่างนี้ว่าสิ่งเหล่าใดที่เป็นความแจ่มแจ้งขาวสะอาดที่พึงรู้แจ้งด้วยตาด้วยหูทำทั้งหมดเหล่านั้นมีอยู่พร้อมในพระพุทธเจ้าแปลว่าพระองค์ดีจริงๆเนี่ยนะคือตรวจเมื่ อ, อไรที่ไหนอย่างไรพระองค์ก็ดีทางกายก็ดีมาเสมอดีอยู่ตลอดดีอย่างสม่ําเสมอทางวาจาก็ดีอยู่ตลอดดีอย่างสม่ําเสมอคือว่าตรวจอะไรความบริสุทธิ์ทางกายแล้วก็บริสุทธิ์ทางวาจา ในหน้า3 8 8รดสบรรทัดล่างเนี่ยปันอันนี้ตรวจสอบทางอาชีพบ้างว่าภิกษุสอบสวนนะที่จะสอบสวนให้ยิ่งขึ้นไปอีกก็สอบสวนว่าพระพุทธเจ้าคือท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยกุศลรธรรมนี้ตลอดการละนานหรือหรือมีอากุศลรธรรมนอกนี้แปลว่าอาชีพของท่านสะอาดมาดีตลอดการหรือไม่เนี่ยนะการใช้ชีวิตของท่านเนี่ยใช้ชีวิตแบบคนมีความบริสุทธิ์หรือไม่มีความบริสุทธิ์ ย้อนกลับมาที่ทำขาวอีกนิดหนึ่งนะในหน้า398อัตถกถาเขาบอกว่ามารยาททางกายเนี่ยนะเาบอกว่าขาวคือบริสุทธิ์ไม่มีกิเลสป่องแผ้วเนี่ยน ะ, ะมารยาททางกายที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสีอย่างเหล่านี้ที่พระพุทธเจ้าหรือพระตถาคตไม่ต้องมีการระมัดระวังรักษาและพระองค์เองไม่ต้องรักษาพระองค์เองหรือให้คนอื่นมาคอยรักษา เช่นบางคนเนี่ยนะมีความชั่วทางกายใช่ไหมแอบไปทําชั่วไว้เช่นพาเพื่อนพาลูกน้องพาพรรคพวกแอบไปทําชั่วแล้วบอกแต่อย่าบอกใครนะช่วยชวยเก็บความลับอันนี้ไว้อย่าห้ามบอกคนอื่นเด็ดขาดนะช่วยชวยกันเก็บไว้หน่อยนะบอเผลอไปพูดไม่ดีบอกช่วยชวยกันปกปิดหน่อยนะช่วยกันปิดข่าวหน่อยนะว่าฉันเนี่ยทำชั่วพระพุทธเจ้าไม่มีแบบนั้นที่จะต้องคอยให้คนอื่นมาคอยแเรียกว่าปิดข่าววัพระองค์จึงไม่ต้องคอยการอารักขาในเรื่องว่าไปพลาดเนี่ยนะเช่น คือแต่มันก็จริงนะเพราะผู้ใหญ่บางคนแอบไปกินเหล้าเมายาทําประพฤติไม่ดีไม่งามเราก็ช่วยเที่ยวกันช่วยปกปิดข่าวเอาไว้แต่พระพุทธเจ้าไม่มีแบบนั้นแปลว่าดีตลอดการเพราะมารยาททางกายพระองค์ก็ไม่ต้องให้ใครมารักษาเพราะพระองค์ไม่มีความชั่วทางกายที่ต้องคอยระมัดระวังทางวาจาของพระองค์ก็ไม่ต้องคอยให้ใครมารักษาเพราะพระองค์มีวจีสะอาดไม่มีความชั่วทางวาจาทางใจของพระองค์ก็ไม่ต้องคอยให้ใครมา คอยปกปักรักษาเพราะพระองค์เป็นผู้ที่มีใจสะอาดไม่มีทุจริตอาชีพของพระองค์ก็ไม่ต้องให้ใครมาคอยปกปักรักษาเพราะพระองค์ไม่มีมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นพระองค์จึงไม่คอยไม่ต้องคอยระมัด ร, ระวังหวาดระแวงว่าใครนะอย่าได้รู้ว่าเราชั่วทางกายใครอย่าได้รู้เลยว่าเราพูดชั่วทางวาจาใครอย่าได้รู้เลยว่าเราคิดชั่วทางใจใครใครอย่าได้รู้เลยว่าเรานี้เป็นมิจฉาชีพเพราะฉะนั้นอันสุดท้ายก็บอกว่า ท่านผู้นี้คือพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยกุศลธรรมตลอดกาลานานหรือกุศลธรรมนี่คืออะไรคือศีลอาชีพเป็นที่8ดเรียกว่าอาชีวมัธกะศีลเนี่ยนะก็แปลว่ากายก็บริสุทธ์วจีก็บริสุทธิ์กายการรมสามวจีกรรมสี่เป็นเจ็แล้วใช่ไหมอาชีพเป็นที่แดเนี่ยนะบวกอาชีพก็มีข้อหนึ่งก็เป็นแด ผู้มีอายุนี้สแสวงหายอย่างนี้ว่าพระศาสดาเข้าตลอดอนะคือพระศาสดาทรงเข้าตลอดเวลานานสมบูรณ์ด้วยศีลตั้งแต่การละนานยิ่งไม่ใช่เล็กน้อยไม่ใช่พระพุทธเจ้าเพิ่งมาทำตัวเป็นคนดีเมื่อวานเมื่อสองวันเนี่ยนะคือคือพระองค์ไม่มีประวัติที่ชั่วไปทำผิดทำพลาดทมชั่วทำร้ายเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยถึงพร้อมด้วยกุศลกุศลธรรมเนี่ยมานานแล้วไม่เหมือนคนบางคน หนีไปไปอยู่ที่หนึ่งแอบไปทำความชั่วใช่ไหมไปเลี้ยงอาชีพผิดเป็นอย่างมากกรรมณที่นั้นก็ปรากฏณนะสถานที่นั้นคนนี่ไปทำชั่วที่ไหนอะนะความชั่วมันปกปิดง่ายไหมยากเล น, นะถ้าทำความชั่วแล้วคนอื่นเห็นคนอื่นได้ยินก็เขาก็รู้แล้วก็เลยหนีไปอยู่ป่าเป็นต้นะนะพอนี้แอบไปอยู่บางหมู่บ้านไปอยู่บางท้องที่คนเขาไม่รู้จริงอะนะก็เลยนับถือพากันยกย่องยกยอซะใหญ่ถวายปัจจัยสี่ ตอนหลังมีคนมารู้เขา้าอะไรจะเกิดขึ้นเฮ้ยที่อื่นนะไปอยู่ที่อื่นไม่ดีอย่างงี้นี่เนี่ยนะก็เลยเรียกว่าสาวประวัติภูมิหลังมาเออเนี่ยเช่นบอกว่าถ้าสมัยใหม่ก็บอกเออมาอยู่ที่นี่ดูคนดีเหลือเกินแต่ไหมคดีติดตัวไม่รู้กี่สิบคดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็รูปคดีเบื้องหลังและคดี น, นั้นยังไม่สิ้นอายุ ค, ความเป็นยังไงนะเคยไปทําอาทยากรรมมาคนะที่ต่างๆเป็นอัทยากรบุคคลเนี่ยนะจะไปไหนรอดใช่ไหมนี่นก็ฉันนั้นเหมือนการพันในที่สุด พระพิสูจน์ที่ไปทําไม่ดีมาก็อาจจะถูกลงอุเ okay. คปนิยกรรมแต่ของพระพุทธเจ้าเมื่อสํารวจตรวจสอบดูแล้วไม่เป็นอย่างนั้นอาชีพของพระองค์เนี่ยนะมีความบริสุทธิ์มาสิ้นกาลนานเป็นผู้ที่มีความอาชีพบริอาชีพที่บริสุทธิ์มาเนี่ยนานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็น